ลักษณะมหาบุรุษ32ประการภิกษุทั้งหลายเมื่อพระวิปัสสีราชกุมารประสูต์แล้วพวกอมมาได้กราบทูลพระเจ้าพันธุมาว่าขอเดชะพระราชโอรสของพระองค์ประสูต์แล้วโปรดทอดพระเนตรเถิดพระเจ้าพันธุมาได้ทอดพระเนตรวิปัสสีราชกุมารแล้วรับสั่งให้เชิญพรามหมาา์โ horajan มาตรัสว่าพรามโ horajan า จ, าจงทํานายวิปัสสีราชกุมาร พวกพรามโผลราจารย์เห็นพระวิปัสสีราชกุมารแล้วได้กราบทูลพระเจ้าพันธุมาว่าขอเดชะโปรดพอพระไทยเถิดพระราชโอรสของพระองค์ที่เสด็จอุบัติขึ้นเป็นผู้มีศักย์ใหญ่นับว่าเป็นลาบอันประเสริฐของพระองค์ผู้ได้พระราชโอรสเช่นนี้อยู่ในราชตระกูลเพราะพระราชกุมารนี้สมบูรณ์ด้วยลักษณะมหาบุรุษ32ประการที่เป็นเหตุให้มหาบุรุษ มีคติสองอย่างไม่เป็นอย่างอื่นคือ 1. ถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิผู้ทรงธรรมครองราชโดยธรรมทรงเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีมหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขตทรงได้รับชัยชนะมีพระราชน า, าจาักมั่นคงสมบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการคือหนึ่งจักรแก้วสองช้างแก้วสามม้าแก้วสี่มณีแก้วห้านางแก้ว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 ไม่ต้องใช้ศัตราครอบครองแผ่นดินนี้มีสาครเป็นขอบเขต 2. ถ้าเสด็จออกจากพระราชวังผนวเป็นบรรพชิตจะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไม่มีกิเลสในโลกคือพระราชกุมารนี้ 1. มีฝ่าพระบาทราบเสมอกันข้อที่พระราชกุมารมีฝ่าพระบาทราบเสมอกันนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น 2. พื้นฝ่าพระบาททั้งสองของพระราชกุมานี้มีจักรซึ่งมีกรมข้างละพันสี่มีกงมีดุมและมีส่วนประกอบครบทุกอย่างข้อที่พื้นฝ่าพระบาททั้งสองของพระราชกุมานี้มีจักรซึ่งมีกรมข้างละพันสี่มีกงมีดุมและมีส่วนประกอบครบทุกอย่างนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น 3. มีส้สนพระบาทยื่นยาวออกไปข้อที่พระราชกุมารมีส้นพระบาทยืนยาวออกไปนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น 4. มีพระองคุลียาวข้อที่พระราชกุมารมีพระองคุลียาวนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น 5. ้มีพระหัตและพระบาทอ่อนนุ่มข้อที่พระราชกุมารมีพระหัตและพระบาทอ่อนนุ่มนี้ เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น 6. ฝาพระหัตต์และฝาพระบาทมีเส้นที่ข้อพระองค์คุลีจดกันเป็นรูปตาข่ายข้อที่พระราชกุมารมีฝาพระหัตต์และฝาพระบาทมีเส้นที่ข้อพระองค์คุลีจดกันเป็นรูปตาข่ายนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น 7. มีข้อพระบาทสูงข้อที่พระราชกุมารมีข้อพระบาทสูงนี้ เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น 8. มีพระชงเรียวดุดแข้งเนื้อสายข้อที่พระราชมมารมีพระชงเรียวดุดแข้งเนื้อสายนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น 9. เมื่อประทับยืนไม่ต้องน้อมพระองค์ลงก็ทรงรูปคล้ำถึงพระชานุด้วยฝ่าพระหัตถ์ทั้งสองได้ข้อที่พระรมมาชารเมื่อประทับยืนไม่ต้องน้อมพระองค์ลง ก็ทรงรูปคลำถึงพระชานุด้วยฝ่าพระหัตถ์ทั้งสองได้นี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น 10. มีพระคุยหาฐานเร้นอยู่ในฝักข้อที่พระราชกุมารมีพระคุยหาฐานเร้นอยู่ในฝักนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น 11. มีพระชวีสีทองมีพระชวีเปล่งปลั่งดุจทองคําข้อที่พระราชกุมารมีพระชวีสีทอง มีพระชวีเปล่งปลั่งดุดทองคํานี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น 12. มีพระชวีละเอียดจนละองทุลีไม่อาจติดพระวรกายได้ข้อที่พระราชกุมารมีพระชวีละเอียดจนละองทุลีไม่อาจติดพระวรกายได้นี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น 13. มีพระโลมาชาติเดียวคือในแต่ละขุม <diesem> มีเ <adopted> พ <something> <be something>. ียงเส้นเดียว ข้อที่พระราชกุมารมีพระโลมชาติเดียวคือในแต่ละขุมมีเพียงเส้นเดียวนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น 14. มีพระโลมชาติปลายงอนขึ้นคือพระโลมชาติคอดเป็นวงเวียนขวาดังกุนทนสีครามเข้มดังดอกอัญชันข้อที่พระราชก voilà. ุมารมีพระโลมชาติปลายงอนขึ้นคือพระโลมชาติคอดเป็นวงเวียนขวา ดังกุนทนสีครามเข้มดังดอกอัญชันนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น 15. มีพระวรกายตั้งตรงดุจกายพรหมข้อที่พระราชกุมารมีพระวรกายตั้งตรงดุจกายพรหมนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น 16. มีพระมังสะในที่เจ็แห่งเต็มบริบูรณ์ ข้อที่พระ ร, ราชกุมารมีพระมังสะในที่7แห่งเต็มบริบูรณ์นี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น 17. มีพระวรกายทุกส่วนบริบูรณ์ดุจลำตัวท่อนหน้าของราชสีข้อที่พระ ร, ราชกุมารมีพระวรกายทุกส่วนบริบูรณ์ดุจลำตัวท่อนหน้าของราชสี น, นี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น18 มีร่องพระปริสดางเต็มเสมอกันข้อที่พระราชกภูมารมีร่องพระปริสดางเต็มเสมอกันนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น 19. มี on, on of of int. okay. พระวรกายเป็นปริมนทนดุดปริมนทนของต้นไทรพระวรกายสูงเท่ากับหนึ่งวาของพระองค์หนึ่งวาของพระองค์เท่ากับส่วนสูงพระวรกายข้อที่พระราชกภูมารมีพระวรกายเป็นปริมนทน ดูดปริมาณทนของต้นไทรพระวรกายสูงเท่ากับหนึ่งวาของพระองค์หนึ่งวาของพระองค์เท่ากับส่วนสูงพระวรกายนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น20มีลำพระศอกลมเท่ากันตลอดข้อที่พระราชกุมารมีลำพระศอกลมเท่ากันตลอดนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น21มีเส้นประสาทรับรถพระกระยาหารได้ดี ขอรร้อที่พระราชกุมารมีเส้นประสาทรับรถพระกาหารได้ดีนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น 22. มีพระหานุดุดคางราชสีข้อที่พระราชกุมารมีพระหานุดุดขางราชสีนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น 23. มีพระทน44ข้อที่พระราชกุมารมีพระทน44นี้ เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น24มีพระทนเรียบเสมอกันข้อที่พระราชกูุมารมีพระทนเรียบเสมอกันนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น25มีพระทนไม่ห่างกันข้อที่พระราชกุมารมีพระทนไม่ห่างกันนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น26มีพระเขี้ยวแก้วขาวงาม ข้อที่พระราชกุมารมีพระเขี้ยวแก้วขาวงามนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น 27. มีพระชิวหาใหญ่ยาวข้อที่พระราชกุมารมีพระชิวหาใหญ่ยาวนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น 28. มีพระสุรเสียงดุดเสียงพรมตรัส ด, ดุดเสียงร้องของนกการะเวกข้อที่พระราชกุมารมีพระสุรเสียงดุดเสียงพรม ตรัดุดเสียงร้องของนกกระเวกนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น 29. มีพระเนตรดำสนิทข้อที่พระราชกุมารมีพระเนตรดำสนิทนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น30มมีดวงพระเนตรแจ่มใสดุดตาลูกโคพึ่งคลอดข้อที่พระราชกุมารมีดวงพระเนตรแจ่มใสดุดตาลูกโคพึ่งคลอดนี้ เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น31มีพระอุณาโลมระหว่างพระขนงสีขาวอ่อนเหมือนปุยนุ่นข้อที่พระราชกุ ม, มารมีพระอุณาโลมระหว่างพระขนงสีขาวอ่อนเหมือนปุยนุ่นนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น 32. มีพระเศียรดูดประดับด้วยกรอบพระพักข้อที่พระราชกุ ม, มารมีพระเศียรดูดประดับด้วยกรอบพระพักนี้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 ที่ทรงได้พระสมยาว่าวิปัสสีต่อมาพระเจ้าพันธุมาโปรดให้พวกพรามหมณโหราจาร์นุ่งห่มผ้าใหม่ทรงเลี้ยงดูให้อิ่มน้ำด้วยสิ่งที่ต้องการทุกอย่างแล้วรับสั่งให้ตั้งพี่เลี้ยงนางนมแก่พระวิปัสสีราชกุมารคือหญิงพวกหนึ่งให้พระราชกุมารสวยน้ำนมพวกหนึ่งให้สงสนารพวกหนึ่งคอยอภิบาลพวกหนึ่งคอยอุ้มตั้งแต่ประสูตร พระวิปัสสิราชกุมารพวกราชบุรุษก็คอยกั้นเวตฉารถวายทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยตั้งใจว่าความหนาวความร้อนยญ้าละอองหรือน้ำค้างอย่าได้เบียดเบียนพระราชกุมารตั้งแต่ประสูตรพระวิปัสสิราชกุมารก็ทรงกลายเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจของชนเป็นอันมากเปรียบเหมือนดอกอุบลดอกปทุมหรือดอกบุญทริก เป็นที่รักเป็นที่เจริญใจของชนเป็นอันมากฉันใดพระวิปัสสราชกุมารทรงเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจของชนเป็นอันมากชันนั้นเหมือนกันในว่าพระวิปัสสราชกุมารนั้นได้รับการผลัดเปลี่ยนกันอุ้มใส่สเอลอยู่เสมอเสมอตั้งแต่ประสูติพระวิปัสสราชกุมารทรงเป็นผู้มีพระสุรเสียงดุดเสียงพรมไพเราะ อ, อ่อนหวานกลมกล่อมจับใจ มูนกกระเวกที่ภูเขาหิมพานเป็นสัตว์มีสำเนียงไพราะอ่ อ, อ, อนหวานกลมกลม่อมจับใจชั้นใดพระวิปัสสีราชกุมารก็เป็นผู้มีพระสุรเสียงดุดเสียงพรมไพราะอ่ อ, อ, อนหวานกลมกลม่อมจับใจชั้นนั้นเหมือนกันตั้งแต่ประสูติพระวิปัสสีราชกุมารทรงมีทิพยะจักสุอันเกิดจากวิบากกรรมที่เป็นเหตุให้มองเห็นไกลได้ตลอดหนึ่งโยตโดยรอบ ทั้งกลางวันและกลางคืนตั้งแต่ประสูตย์พระวิปัสสีราชกุมารทรงเพ่งดูเม่กระพิบพระเนตรพวกเทวดาชั้นเดาอดงแลดูเม่กระพิบตาฉันใดพระวิปัสสีราชกุมารทรงเพ่งดูเม่กระพิบพระเนตรชั้นนั้นเหมือนกันจึงเกิดมีพระสมยาว่าวิปัสสีวิปสัปสสีต่อมาพระเจ้าพันธุมาประทับในศาลตัดสินคดี ทรงให้พระวิปัสสีราชกุมารประทับบนพระเพลาขณะทรงพิจารณาคดีในว่าพระวิปัสสีราชกุมารประทับนั่งบนพระเพลาของพระชนกในศาลตัดสินคดีนั้นทรงวินิจฉัยให้คดีดำเนินไปด้วยพระยานเพราะคำเล่าลือว่าพระราชกุมารวินิจฉัยให้คดีดำเนินไปด้วยพระยามีปริมาณมากขึ้นจึงเกิดมีพระสมยาว่าวิปัสสีวิปัสสี ต่อมาพระเจ้าพันธุมาโปรดให้สร้างประสาทสามหลังสำหรับพระวิปัสส anyway ิราชกุมารหลังหนึ foreign, ่งสำหรับประทับในฤดูฝนหลังหนึ่งสำหรับประทับในฤดูหนาวหลังหนึ่งสำหรับประทับในฤดูร้อนโปรดให้บำรุงพระราชกุมารด้วยกามคุณหพระวิปัสสิราชกุมารทรงได้รับการบำรุงบำเรอด้วยดนตรีที่ไม่ปะปนด้วยบุรุษในประสาทสำหรับประทับในฤดูฝน ไม่ได้เสด็จลงมาชั้นล่างประสาทตลอดสี่เดือนพานวาระที่หนึ่งจบเทวทูตสี่คนชราภิกษุทั้งหลายเมื่อเวลาล่วงไปหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปี พระวิปัสสีราชกุมารรับสั่งเรียกนายสารธีมาตรัสว่าสหายสารธีเธอจงเทียมยานพาหนะคันงามๆเราจะไปอุทยานชมภูมิประเทศที่สวยงามนายสารธีทูลรับพระบัญชาแล้วเทียมยานพาหนะคันงามๆกราบทูลว่าขอเดชะข้าพระองค์เทียมยานพาหนะคันงามๆไว้แล้วขอพระองค์จงทรงกําหนดเวลาที่สมควรณนะบัดนี้เถิด พระวิปัสสิราชกุมารทรงยานพาหนะคันงามสเสด็จประพาสอุทยานพร้อมด้วยยานพาหนะคันงา ม, งามตามสเสด็จอีกหลายคันขณะที่สเสด็จประพาสอุทยานพระวิปัสสิราชกุมารได้ทอดพระเนตรเห็นชายชราผู้มีซีโครงคดเหมือนกรอนประตูหลังงองงุม้มเดินถือไม้เท้างกงกเงื่นเกระซับกระสายหมดความหนุ่มแน่นจึงตรัสถามในสารถีว่า สหายสารธีชายคนนี้ถูกใครทำอะไรให้เส้นผมและร่างกายของเขาจึงไม่เหมือนของคนอื่นๆนายสารธีทูลตอบว่าขอเดชะผู้นี้ชื่อว่าคนชราทำไมเขาจึงชื่อว่าคนชราผู้นี้ชื่อว่าคนชราเพราะเวลานี้เขาจะมีชีวิตอยู่อีกไม่นานพระเจ้าค่าถึงเราเองก็จะต้องแก่เท่าเป็นธรรมดา นีไม่พ้นกระนั้นหรือทั้งพระองค์และข่าพระองค์ล้วนแต่ต้องแก่เท่าเป็นธรรมดานีไม่พ้นพระเจ้าข่าสหายสารถีถ้าเช่นนั้นวันนี้ชมอุทยานพอแล้วเธอจงขับรถกลับเข้าเมืองเถิดนายสารถีทูลรับพระบัญชาแล้วขับราชรถกลับเข้าเมืองทันทีพระวิปัสสีราชกุมารเสด็จถึงพระราชฐานชั้นในทรงมีทุกข์ มีพระไทยไม่ยินดีทรงพระดำริว่าขึ้นชื่อว่าความเกิดช่างน่ารังเกียจนักเพราะเมื่อมีความเกิดก็มีความแก่ต่อมาพระเจ้าพันธุมารับสั่งให้เรียกนายสารถีมาแล้วตรัสถามว่าพ่อสารถีคนดีราชกุมารยินดีในอุทยานหรือไม่พอใจในอุทยานหรือไม่นายสารถีทูลตอบว่าขอเดชะ พระราชกมุมารไม่ทรงยินดีในพระอุทยานไม่ทรงพอพระไทยในพระอุทยานเท้าเธอตรัสถามว่าขณะเที่ยวชมอุทยานราชกมุมารพบเห็นอะไรหรือนายสารธีทูลตอบว่าขณะที่เสด็จประพาสพระอุทยานพระราชกมุมารได้ทอดพระเนตรเห็นชายชราผู้มีสีโครงคดเหมือนกรอนประตูหลังงองงุ้มเดินถือไม้เท้างกงกเงิ น, งน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 ถึงเราเองก็จะต้องแก่เท่าเป็นธรรมดาหนีไม่พ้นกระนั้นหรือทั้งพระองค์และข้าพระองค์ล้วนแต่ต้องแก่เท่าเป็นธรรมดาหนีไม่พ้นพระเจ้าค่าสหายสารถีถ้าเช่นนั้นวันนี้ชมอุทยานพอแล้วเธอจงขับรถกลับเข้าเมืองเถิดข้าพระองค์ทูลรับพระบัญชาแล้วขับราชรถกลับเข้าเมืองทันทีพระราชกุมารเสด็จถึงพระราชฐานชั้นในทรงมีทุกข มีพระไทยไม่ยินดีทรงพระดําริว่าขึ้นชื่อว่าความเกิดช่างน่ารังเกียจนะักเพราะเมื่อมีความเกิดก็มีความแก่พระเจ้าค่ะคนเจ็บต่อมาพระเจ้าพันธุมาทรงพระดําริว่า ขออย่าให้วิปัสสีคุมารไม่ยอมครองราชเลยอย่าได้ออกจากวังบวชเป็นบนรรพชิตเลยคำทํานายของพรามหมณ์โหราจาร์อย่าได้เป็นจริงเลยจึงรับสั่งให้บํารุงบําเรอพระวิปัสสีราชกุมารด้วยกามคุณห้ามากขึ้นกว่าเดิมเพื่อว่าพระวิปัสสีราชกุมารจะอยู่ครองราชจะไม่เสด็จออกจากพระราชวังผนวชเป็นบนรรพชิตและคําทํานายของพรามหมณโหราจาร์จะผิดพลาด พระวิปัสสีราชกุมารทรงเอิบอิ่มพร่างพร้อมได้รับการบำเรออยู่ด้วยกามาคุณห้าในพระราชฐานนั้นเมื่อเวลาล่วงไปอีกหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีพระวิปัสสีราชกุมารรับสั่งเรียกนายสารถีมาตรัสว่าสหายสารถีเธอจงเทียมยานพาณิชคันงามๆเราจะไปอุทยานชมภูมิประเทศที่สวยงามนายสารถีทูลรับพระบัญชาแล้ว เทียมยานพาหนะคันงามงามกราบทูลว่าขอเดชะข้าพระองค์เทียมยานพาหนะคันงามงามไว้แล้วขอพระองค์จงทรงกําหนดเวลาที่สมควรหน้าบัดนี้เถิดพระวิปัสสีราชกุมารทรงยานพาหนะคันงามเสด็จประพาสอุทยานพร้อมด้วยยานพาหนะคันงามงามตามเสด็จอีกหลายคันเมื่อเสด็จประพาสอุทยานอีกพระวิปัสสีราชกุมารได้ทอดพระเนตรเห็นคนเจ็บทนทุกข์ ป่วยหนักนอนทุรนทุรายจมกองอุจจระปัสสาวะของตนคนอื่นต้องช่วยกันพยุงให้กินอาหารจึงตรัสถามนายสารถีว่าสหายสารถีชายคนนี้ถูกใครทําอะไรให้ในตาทั้งคู่และศรีรษะของเขาจึงไม่เหมือนของคนอื่นนายสารถีทูลตอบว่าขอเดชะผู้นี้ชื่อว่าคนเจ็บทําไมเขาจึงชื่อว่าคนเจ็บ ผู้นี้ชื่อว่าคนเจ็บเพราะเขาหายจากความเจ็บป่วยนั้นได้อย่างยากเย็นพระเจ้าข้าถึงเราเองก็จะต้องเจ็บป่วยเป็นธรรมดานีไม่พ้นกระนั้นหรือทั้งพระองค์และข้าพระองค์ล้วนแต่ต้องเจ็บป่วยเป็นธรรมดานีไม่พ้นพระเจ้าค่าสายสารถีถ้าเช่นนั้นวันนี้ชมอุทยานพอแล้วเธอจงขับรถกลับเข้าเมืองเถิดนายสารถีทูลรับพระบัญชาแล้วขับราชรถกลับเข้าเมืองทันที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 นายสารธีทูลตอบว่าขอเดชะพระราชคุมารไม่ทรงยินดีในพระอุทยานไม่ทรงพอพระไทยในพระอุทยานท้าวเธอตรัสถามว่าขณะเที่ยวชมอุทยานราชคุมารพบเห็นอะไรหรือนายสารธีทูลตอบว่าขณะที่เสด็จประาาพาสพระอุทยานพระราชคุมารได้ทอดพระเนตรเห็นคนเจ็บทนทุกข์ป่วยหนักนอนทุรนทุรายจมกองอุจจระปัสสาวะของตน คนอื่นต้องช่วยกันพยุงให้กินอาหารจึงตรัสถามข้าพระองค์ว่าสหายสารถีชายคนนี้ถูกใครทำอะไรให้ในตาทั้งคู่และศรีรษะของเขาจึงไม่เหมือนของคนอื่นข้าพระองค์ทูลตอบว่าขอเดชะผู้นี้ชื่อว่าคนเจ็บทำไมเขาจึงชื่อว่าคนเจ็บผู้นี้ชื่อว่าคนเจ็บเพราะเขาหายจากความเจ็บป่วยนั้นได้อย่างยากเย็นพระเจ้าข่า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 ขึ้นชื่อว่าความเกิดช่างน่ารังเกียจนักเพราะเมื่อมีความเกิดก็มีความแก่ความเจ็บพระเจ้าค่าคนตายต่อมาพระเจ้าพันธุมาทรงพระดำริว่าขออย่าให้วิปัสสีคุมารไม่ยอมครองราชเลย อย่าได้ออกจากวังบวชเป็นบรรพชิตเลยคำทานายของพรามหมโหราจาร์อย่าได้เป็นจริงเลยจึงรับสั่งให้บำรุงบำเรพระวิปัสสีราชกุมานด้วยกามาคุณห้ามากขึ้นกว่าเดิมเพื่อว่าพระวิปัสสีราชกุมานจะอยู่ครองราชจะไม่เสด็จออกจากพระราชวังผนวเป็นบรรพชิตและคาทานายของพรามหมโหราจาร์จะผิดพลาดพระราชกุมารทรงเ อ, อิบอิ่มพรั่งพร้อม ได้รับการบำเรออยู่ด้วยกามคุณห้าในพระราชฐานนั้นเมื่อเวลาล่วงไปหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีพระวิปัสสีราชกุมารรับสั่งเรียกนายสารถีมาตรัสว่าสหายสารถีเธอจงเทียมยานพานะคันงามงามเราจะไปอุทยานชมภูมิประเทศที่สวยงามนายสารถิทูลรับพระบัญชาแล้วเทียมยานพานะคันงามงามกราบทูลว่าขอเดชะ ข้าพระองค์เทียมยานพาหนะคัน ง, งามๆไว้แล้วขอพระองค์จงทรงกําหนดเวลาที่สมควรหน้าบัดนี้เถิดพระราชกุมารทรงยานพาหนะคันงามเสด็จประพาสอุทยานพร้อมด้วยยานพาหนะคัน ง, งามตามเสด็จอีกหลายคันเมื่อพระวิปัสสีราชกุมารเสด็จประพาสอุทยานอีกได้ทอดพระเนตรเห็นหมู่ชนประชุมกันและกําลังประดับคานหามด้วยผ้าหลากสีจึงตรัสถามนายสารถีว่าสหายสารถี มูชนประชุมกันและประดับคานหามด้วยผ้าหลากสีไว้ทาไมนายสารทีทูลตอบว่าขอเดชะผู้นี้ชื่อว่าคนตายพระวิปัสสีราชกุมารรับสั่งว่าสหายสารถีถ้าเช่นนั้นเธอจงขับรถไปทางคนตายนั้นนายสารถีทูลรับพระบัญชาแล้วขับราชรถไปทางคนตายนั้นพระราชกุมารทอดพระเนศคนตายจึงตรัสถามนายสารธีว่า ทำไมเขาจึงชื่อว่าคนตายนายสารธีทูลตอบว่าผู้นี้ชื่อว่าคนตายเพราะเวลานี้มารดาบิดาหรือญาสาโลหิตอื่นๆจะไม่ได้พบเห็นเขาอีกตัวเขาก็จะไม่ได้พบเห็นมารดาบิดาหรือญาสาโลหิตอื่นๆอีกพระเจ้าค่าถึงเราเองก็จะต้องตายเป็นธรรมดานีไม่พ้นพระมารดาพระบิดาหรือพระปรุญญาตอื่นๆจะไม่ได้พบเห็นเรา แม้เราก็จะไม่ได้พบเห็นพระมารดาพระบิดาหรือพระประยุราญาติอื่นๆกระนั้นหรือทั้งพระองค์และข้าพระองค์ล้วนแต่ต้องตายเป็นธรรมดานี้ไม่พ้นพระเจ้าค่ะพระเจ้าแผ่นดินพระราชินีหรือพระประยุราญาติอื่นๆจะไม่ทรงพบเห็นพระองค์แม้พระองค์ก็จะไม่ทรงพบเห็นพระเจ้าแผ่นดินพระราชินีหรือพระประยุราญาติอื่นๆสหายสารถีถ้าเช่นนั้น วันนี้ชมอุทยานพอแล้วเธอจงขับรถกลับเข้าเมืองเถิดนายสารธีทุนรับพระบัญชาแล้วขับราชรถกลับเข้าเมืองทันทีพระวิปัสสิราชกุมารเสด็จถึงพระราชฐานชั้นในทรงมีทุกข์มีพระไทยไม่ยินดีทรงพระดำริว่าขึ้นชื่อว่าความเกิดช่างน่ารังเกียจนักเพราะเมื่อมีความเกิดก็มีความแก่ความเจ็บความตาย ต่อมาพระเจ้าพันธุมารับสั่งให้เรียกนายสารถีมาแล้วตรัสถามว่าพ่อสารธีคนดีราชกุมารยินดีในอุทยานหรือไม่พอใจในอุทยานหรือไม่นายสารถีทูลตอบว่าขอเดชะพระราชกุมารไม่ทรงยินดีในพระอุทยานไม่ทรงพอพระไทยในพระอุทยานครั้งนี้เลยท้าวเธอตรัสถามว่าขณะที่เที่ยวชมอุทยานราชกุมารพบเห็นอะไรหรือ นายสารธีทูลตอบว่าขณะที่เสด็จพระภาค พ, พระอุทยานพระราชกุมารได้ทอดพระเนตรเห็นหมูชนประชุมกันและกําลังประดับคานหามด้วยผ้าหลากสีจึงตรัสถามข้าพระองค์ว่าสหายสารธีหมูชนประชุมกันและกําลังประดับคานหามด้วยผ้าหลากสีไว้ทําไมข้าพระองค์ทูลตอบว่าขอเดชะผู้นี้ชื่อว่าคนตายพระราชกุมารรับสั่งว่าสหายสารธี ถ้าเช่นนั้นเธอจงขับรถไปทางคนตายนั้นข้าพระองค์ทูลรับพระบัญชาแล้วขับราชรถไปทางคนตายนั้นพระราชกุมารทอดพระเนตรคนตายจึงตรามข้าพระองค์ว่าทำไมเขาจึงชื่อว่าคนตายข้าพระองค์ทูลตอบว่าผู้นี้ชื่อว่าคนตายเพราะเวลานี้มารดาบิดาหรือญาสาโลหิตอื่นๆจะไม่ได้พบเห็นเขาอีกตัวเขาก็จะไม่ได้พบเห็นมารดาบิดา หรือญาสาวลหิตอื่นๆอีกพระเจ้าค่าถึงเราเองก็จะต้องตายเป็นธรรมดานี้ไม่พ้นพระมารดาพระบิดาหรือพระประยุรญาติอื่นๆจะไม่ได้พบเห็นเราแม้เราก็จะไม่ได้พบเห็นพระมารดาพระบิดาหรือพระประยุรญาติอื่นๆกระนั้นหรือทั้งพระองค์และข้าพระองค์ล้วนแต่ต้องตายเป็นธรรมดานี้ไม่พ้นพระเจ้าค่าพระเจ้าแผ่นดินพระราชนี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 ขออยาให้วิปัสสีคุมานไม่ยอมครองราชเลยอย่าได้ออกจากวังบวชเป็นบรรพชิตเลยคำทำนายของพรามหมโหราจารย์อย่าได้เป็นจริงเลยจึงรับสั่งให้บำรุงบำเรพระวิปัสสีราชกุมารด้วยกามาคุณห้ามากขึ้นกว่าเดิม <c oughs> เพื่อว่าพระวิปัสสีราชกุมารจะอยู่ครองราชจะไม่เสด็จออกจากพระราชวังผนวเป็นบรรพชิตและคาทานายของพรามหมโหราจารย์จะผิดพลาด พระวิปัสสีราชกุมารทรงเอิบอิ่มพรั่งพร้อมได้รับการบำเรออยู่ด้วยการมาคุณห้าในพระราชฐานนั้นเมื่อเวลาล่วงไปอีกหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีพระวิปัสสีราชกุมารรับั่งเรียกนายสารถีมาตรัสว่าสหายสารถีเธอจงเทียมยานพานะคัน ง, งามๆเราจะไปอุทยานชมภูมิประเทศที่สวยงามนายสารถีทูลรับพระบัญชาแล้ว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 นุ่งห่มผ้ากาสาวพัดจึงตรัสถามนายสารถีว่าสหายสารถีชายคนนี้ถูกใครทําอะไรให้ทั้งศีรษะและเครื่องนุ่งห่มของเขาจึงไม่เหมือนของคนอื่นนายสารถีทูลตอบว่าขอเดชะผู้นี้ชื่อว่าบรรพชิตทําไมเขาจึงชื่อว่าบรรปะชิตผู้นั้นชื่อว่าบรรพชิตเพราะการประพฤติธรรมเป็นความดี การประพฤติสม่ำเสมอเป็นความดีการทำกุศลเป็นความดีการทำบุญเป็นความดีการไม่เบียดเบียนเป็นความดีและการอนุเคราะห์หมูสัตว์เป็นความดีพระเจ้าค่ะบรรปะชิดนี้ดีแท้เพราะการประพฤติธรรมเป็นความดีการประพฤติสม่ำเสมอเป็นความดีการทำกุศลเป็นความดีการทำบุญเป็นความดีการไม่เบียดเบียนเป็นความดี และการอนุเคราะห์หมู่สัตว์เป็นความดีถ้าเช่นนั้นเธอจงขับรถไปทางบรรพชิตนั้นนายเสรถธีทูลรับพระบัญชาแล้วขับราชรถไปตามทางบรรพชิตนั้นครั้นแล้วพระราชกุมารได้ตรัสถามบรรพชิตว่าสหายท่านทําอะไรศีรษะและเครื่องนุ่มห่มของท่านจึงไม่เหมือนของคนอื่นๆบรรพชิตนั้นทูลตอบว่าขอถวายพระพร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 พระโพธิสัตว์เสด็จออกผนวดภิกษุทั้งหลายลำดับนั้นพระวิปัสสีราชกุมานรับสั่งเรียกนายสารถีมาตรัสว่าสหายสารถีถ้าเช่นนั้นเธอจงนำรถกลับเข้าเมืองเราจะโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพั์ออกจากวังบวชเป็นบรรพชิตในอุทยานนี้นายสารถีทุนรับพระบัญชาแล้วขับราชรถกลับเข้าเมืองทันที ส่วนพระวิปัสสีราชกุมารทรงปลงพระเกศาและพระมัสสุทรงครองผ้ากาสาวพัดเสด็จออกจากพระราชวังบวชเป็นบรรปะชิตที่อุทยานนั้นนั่นเองมหาชนออกบวชตามเสด็จ มหาชนในกรุงพันทุมดีประมาณ 84,000 คนได้ทราบข่าวว่าพระวิปัสสีราชกุมารทรงปลงพระเกสาและพระมัสสุทรงครองผ้ากาลสาวพัทเสด็จออกจากพระราชวังบวชเป็นบรรพชิตจึงคิดว่าพระธรรมวินัยและการบรรพชาที่พระวิปัสสีราชกุมารได้ปลงพระเกสาและพระมัสสุทรงครองภ้ากาลสาวพัท เสด็จออกจากพระราชวังบวชเป็นบนรรพชิตนั้นคงจะไม่ต่ำซามคนระดับพระวิปัสสีราชคุมารยังทรงปรุงพระเกศาและพระม ส, สุทรงครองผ้ากาสาวพัทเสด็จออกจากพระราชวังผนวดเป็นบนรรพชิตได้ทำไมพวกเราจะบวชบ้างไม่ได้เล่ามหาชนประมาณ8 4ด0 0พันคนได้พากันโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัท ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตตามเสด็จพระวิปัสสีโพธิสัตว์พระวิปัสสีโพธิสัตว์ทรงมีบริษัทนั้นแวดล้อมเสด็จจ่ริกไปในหมู่บ้านนิคมชนบทแคว้นและราชธานีทั้งหลายต่อมาพระวิปัสสีโพธิสัตว์ประทับหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดทรงมีพระรำพึงอย่างนี้ว่าการที่เราอยู่คลุกคลีด้วยหมู่คณะอย่างนี้หาเป็นการสมควรไม่ทางที่ดี เราควรหลีกออกจากหมู่อยู่เพียงลำพังต่อมาพระวิปัสสีโพธิสัตว์เสด็จลีกออกจากหมู่ประทับอยู่ผู้เดียวบรรปะชิต 84,000 รูปได้แยกไปทางหนึ่งพระวิปัสสีโพธิสัตว์ก็เสด็จไปอีกทางหนึ่ง